ข้ามทะเลทั้ง4ในวงเล็บโอคะแล้วจะถึงจิตหนึ่งวงเล็บเปิด8เมษายน 2,550 ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสวงเล็บปิดเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ค่อยได้ฟังธรรมะที่สะใจมานานแล้วครั้งสุดท้ายที่ได้ฟังคือฟังจากหลวงพ่อคำเขียนตอนไปเยี่ยมท่านช่วงที่ท่านไม่สบายท่านบอกว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดผมไม่มีอะไรแล้วผมอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรหรอก ปิดเครื่องหมายคำพูดสะใจจริงๆจริงๆเราอยู่กับความไม่มีไม่เป็นความสําคัญมั่นหมายของเราเพราะความเห็นผิดไปสําคัญว่ามันมีมันเป็นขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมากว่าเราจะข้ามทิฐิที่ว่ามันมีเรามีเขาขึ้นมานี่นะข้ามยากอันนี้เป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรอันแรกของผู้ปฏิบัติเรียกว่าโอคะโอคะแปลว่าห่วงน้ําห่วงมหาสมุทร มหาสมุดในการปฏิบัติมีอยู่สีอันต้องข้ามให้ได้ให้หมดเลยถ้าข้ามได้หมดก็จะเอาตัวรอดได้มหาสมุดอันแรกเลยคือทิฏฐิคือความเห็นผิดของเรานี่แหละคือเราไปเห็นผิดในของที่ไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตนขึ้นมาเวลามองโลกนะสะดุดขึ้นมาเลยเกิดเราเกิดเขาเกิดสัตว์เกิดคนเกิดต้นไม้เกิดสิ่งโน้นเกิดสิ่ง น, น, งนี้โลกนี้ลุ่มๆ ด, ดอนๆในทางมหายานนะเคยมีสูตรอยู่สูตรหนึ่ง พระสารีบุตรไปบอกพระพุทธเจ้าว่าพระองค์คงสร้างบารมีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุทธกเกษตรหรือโลกของพระองค์ดูลุ่มๆดอนๆพระพทธทีศัตว์บอกว่าไม่จริงหรอกพุทธกเกษตรของพระองค์นี่ราบเรียบเลยไม่มีความเป็นลุ่มเป็นดอนคือไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้เลยมันว่างเปล่า แต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรจริงๆริงนี่ก็แต่งเกินไปพระสารีบุตรไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกนะสาวกรุ่นหลังๆภาวนาไปยังเห็นโลกว่างได้เลยทำไมพระสารีบุตรท่านจะไม่เห็นดังนั้นมิจฉาทิฐิคือสิ่งแรกเลยที่พวกเราต้องภาวนาแล้วก็ข้ามมันให้ได้คือเราสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเราไปแบ่งแยกสมบัติของโลกส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวเราขึ้นมาส่วนที่เหลือมันก็เป็นคนอื่นเป็นสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่แวดล้อมอยู่ ไปแบ่งตัวเองออกมาสำคัญมั่นหมายว่ามีว่าเป็นเป็นโน่นเป็นนี่ด้วยนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนดีคนเลวเป็นพวกทุศีลเป็นพวกมีศีลแบ่งตัวเองออกไปจากธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรอยู่แล้วเสมอภาคกันทั้งหมดพอมีตัวเราขึ้นมาก็มีมิจฉาทิฐิขึ้นมาอีกพอตัวเราตายไปเราไปเกิดอีกตัวเราเที่ยงจิตเรานี่เที่ยงร่างกายแตกสลายไปตัวเรายังไปเกิดได้อีก นี่ก็เป็นมิจฉาทิฐิคะนงหนึ่งเรียกว่าสัจสตทิฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่าตัวเรามีอยู่พอตายไปแล้วก็หายไปเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฐิเรียกว่าอุดเฉททิฐิรากเงาของมันก็เริ่มมาจากความมีตัวเรานี่แหละมีตัวเราแล้วก็มีตัวเราอย่างเที่ยงแท้ถาวรหรือมีตัวเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายสาบสูญไปทะเลทิฐินี่จะข้ามได้ต้องเป็นพระโสดาบันนะ ดังนั้นสีทะเลนี่พวกเรายังข้ามไม่ได้สักทะเลหนึ่งนะข้ามได้แค่ริมทะเลเที่ยวเที่ยวไปอย่างนี้จะข้ามทิ่ฐิตัวนี้ได้นะต้องมีสติมีปัญญามีสัมมาสมาธิมีสติรู้ลงมาในกายในใจนี้มีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าดูเวลาดูกายมันจะรู้สึกเหมือนว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวลาดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ มันจะรู้สึกว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างนะไม่เป็นอันเดียวกันมีช่องว่างมาขั้นเวลาดูจิตที่เป็นอกุศลหรือกุศลจะเห็นเลยว่าอากุศลหรือกุศลทั้งหลายกับจิตนี่คนละอันกันมีช่องว่างมาขั้นพวกเราดูออกแล้วใช่ไหมถ้าใจเราตั้งมั่นมันจะสักว่ารู้สักว่าดูได้เสร็จแล้วปัญญามันถึงจะเกิด มันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สักอันเดียวดูมาจนกระทั่งถึงจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองก็เห็นมันเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างดูไปดูมาในขันห้านี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่แท้จริง มีสติรู้ลงมาในกายในใจนี้นะถึงจะละมิจฉาทิฐิได้ข้ามทะเลตัวแรกได้เหลืออยู่สามทะเลข้ามยากนะทะเลตัวต่อไปคือกามข้ามยากพวกเราเห็นแต่กามคุณเราไม่เห็นกา ม, มาโทษดังนั้นเราข้ามไม่ได้หรอกกามคืออารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอย่างเราเห็นรูปที่สวยๆรูปนั้นเรียกว่ากามหูเราได้ยินเสียงที่เพราะๆถูก อ, อกถูกใจเรียกว่ากาม กลิ่นหอมๆถูกอกถูกใจเรียกว่ากามรสอร่อยๆอก็เรียกว่ากามสัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นสบายก็เรียกว่ากามการคิดถึงอารมณ์เหล่านี้เป็นกามทางใจเรียกว่ากามมาธรรมนะพวกเราเกิดมาเราก็แสวงหาแต่อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตลอดชีวิตเราเห็นว่าถ้าเราได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วเราจะมีความสุขดังนั้นเราเห็นว่ากามนี่นาความสุขมาให้ ยากนักยากหนาจะก้าวข้ามพ้นอำนาจของกามได้ถ้าไม่ใช่พระอนาคา ม, มีจะข้ามไม่ได้ดังนั้นทำอย่างไรจึงจะข้ามพ้นทะเลอันที่สองคือทะเลกามได้เคยได้ยินใช่ไหมคนชอบพูดทะเลกามแต่ไม่พูดทะเลทิฐิเห็นไหมเพราะอะไรเพราะคุณพูดยังมีทิฐิอยู่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละทะเลกามข้ามยากต้องรู้ลงมาอีกรู้ลงมาในกายในใจนี้จนวันหนึ่งเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนเลย ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยมันจะหมดความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทั้งหลายหมดความติดอกติดใจในการมาคุณทั้งหลายมันหมดของมันเองนะยังเคยสังเกตไหมคนไหนเจ้าชู้มากๆเกิดเจ็บหนักใกล้จะตายหรือตัวเป็นแผลทั้งตัวโดนอะไรก็แสบก็ปวดให้มันไปกอดนางงามจักรวาลมันก็ไม่เอานะเพราะมันไม่มีความสุขแล้วทั้งเมื่อใดเราเห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆนะเราจะไม่สนใจกามแล้ว ตาเห็นรูปจะสักว่าเห็นเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันแล้วหูได้ยินเสียงลิ้นได้รสกายได้สัมผัสนี่จิตใจจะไม่ยินดียินร้ายถ้ามันไม่รักกายมันก็จะไม่รักกามนะทะเลกามเหมือนทะเลที่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้ดังนั้นภูตุชนทั้งหลายหลงอยู่ในทะเลที่ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทางนี้ทางนี้นะ คนที่รู้ทางเรียกว่าพระโสดาบันรู้แล้วว่าไปทางนี้แหละปลอดภัยจะข้ามทะเลกามได้ยากนะเป็นทะเลที่กว้างไร้ขอบไร้เขตดูอะไรดูไม่ออกหรอกดูยากข้ามได้โดยการที่เห็นลงมาในกายลงมาในใจว่าไม่ใช่เราทะเลกามจะข้ามได้เมื่อหมดความยึดถือกายถัดจากนั้นเหลืออีกสองทะเลนะคือทะเลของภพกับทะเลของอวิชชาเรียกว่าภวะโอคะกับอวิชชาโอคะ พบคืออะไรพบคือการทํางานของจิตสังเกตไหมพวกเราภาวนาจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนหมุนจี้จี้ทั้งวันทั้งคืนจิตเดี๋ยวก็วิ่งพล่านพล่านไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งพล่านพล่านไปทางหูวิ่งพล่านทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยจิตนี้ทํางานสร้างภพสร้างชาติหมุนติวต้วติว้วติ้วอยู่ภายในตลอดวันตลอดคืนจะข้ามมันไม่ใช่ง่ายนะจะเห็นมันยังยากเลย กว่าจะเห็นจิตเข้าไปทำงานตรงนี้ยังยากแสนเข็นเลยรู้สึกไหมจะข้ามทะเลของภพได้นี่นะภพเหมือนทะเลที่น้าเชี่ยวจะหมุนจี๋ๆไปทั้งวันเดี๋ยวซัดไปทางโน้นเดี๋ยวซัดไปทางนี้กระแสน้ำนี้รุนแรงกระแสน้ำที่ซัดจิตใจเราให้วิ่งพล่านไปในภพก็คือตันหานั่นเองตันหาเป็นเหมือนคลื่นลูกใหญ่เป็นเหมือนกระแสน้าเชี่ยวที่ซัดเราไปซัดไปไม่รู้ทิศทางเลยนะ สร้างพบไปเรื่อยเดี๋ยวไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจะข้ามพบข้ามชาติได้ก็ต้องละตันหาได้ตันหาเกิดจากอะไรตันหาเกิดจากอวิชชาตัวนี้ข้ามยากที่สุดถ้าข้ามได้ก็จะหลุดจากน้ําเชี่ยวนี้ได้ด้วยอวิชชาเหมือนทะเลหมอกน้ําสงบนะไม่มีคลื่นไม่มีลมสบายๆแต่เหมือนมีหมอกปกคลุมจนไม่รู้อะไรเลยบางทีเราอยู่ห่างฝั่งใช่ไหม ถูกคลื่นซัดตูมตามกระเซือกกระสนจนเกือบจะถึงฝั่งอยู่แล้วพอเกือบจะถึงฝั่งนะมันมีหมอกลงมองไม่เห็นแล้วว่ายไปไว่ายมาว่ายออกทะเลลึกไปอีกแล้วดังนั้นข้ามอาวิชชานี่ยากที่สุดเลยทะเลตัวนี้จะข้ามได้ต้องเห็นอริยสัจเห็นไม่เหมือนกันนะอริยสัจตัวที่ลึกซึ้งที่สุดเลยก็คือเห็นว่าจิตเป็นทุก์นี่เองเราภาวนาไปนานๆเราเห็นแต่จิตเป็นสุขจิตเริ่มสงบ ข้ามทะเลโน้นทะเลนี้มาถึงพบที่สงบพบที่ไม่มีคลื่นมีลมแล้วจิตใจก็รักใคร่พอใจว่าอยู่แค่นี้แหละสบายใจแล้วเสร็จแล้วก็ว่ายกลับไปกลับมานะถูกคลื่นซัดออกไปอีกแล้วถ้าเป็นปุถุชนนี่ก็ถูกซัดออกไปหาทิฐิเลยเกิดมิจฉาทิฐิได้เรื่อยๆถ้าไม่ใช่พระอนาคามีก็หลงไปในกามได้อีกดังนั้นมันพร้อมจะถอยหลังได้จะละอวิชาได้ต้องรู้อริยสัจ รู้ลงมาว่ากายนี้ใจนี well. ้เป็นทุกข์ล้นล้วนเลยพวกเรามีแต่อวิชชาเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่อวิชชาพาให้เห็นในสารภาพมามีใครรู้สึกไหมว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมีผู้ร้ายปากแข็งครึ่งห้องนะไม่ยอมสารภาพพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้แหละอวิชชาถ้าเห็นอย่างมีวิชชาก็จะเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้นล้วน ไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างมันเห็นยากนะถ้าสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าพอมันจะไม่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆโดยเฉพาะจิตเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบสะอาดสว่างฟังแล้วดีทั้งนั้นเลยจะหเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ง่ายนะปฏิบัติกันปางตายเลยแหละเหมือนเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะถึงจะเห็น ฉะนั้นทะเลอวิชชา น, นี้เป็นทะเลที่เรียบเรียบนะแต่ยากที่สุดเลยที่จะเห็นยากมากเลยจับต้นจับปลายไม่ถูกมีแต่เรียนรู้กายรู้ใจมาตามลําดับพอรู้กายถูกต้องแจ่มแจ้งได้พระอนาคามีจิตใจก็จะสบายขึ้นเยอะเลยจะไม่แสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะเหลือแต่ความสงบสุขอยู่ภายในเพลิดเพลิน อ, อยู่กับความสงบสุขภายในจิต ใ, ใ, ในใจของเรานี่เองต่อมาสติปัญญาแก่รอบลงมาอีก ก็จะเห็นเลยว่าตัวจิตตัวใจที่เห็นว่าสงบสุขนี่ความจริงแล้วเป็นทุกข์ล้วนๆตัวนี้ไม่รู้จะพูดภาษามนุษย์อย่างไรนะฟังไว้ก็แล้วกันมันเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อใดนะมันจะทิ้งแล้วมันจะวางถ้าเห็นเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างมันไม่วางหรอกมันทุกข์ล้วนๆขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆตัณหาจะดับทันทีเลยเมื่อมันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วจะอยากให้มันเป็นสุขได้อย่างไรล่ะ ของเรามีตัณหาขึ้นมาเพราะอยากให้ขันห้ามีความสุขรู้สึกไหมอยากให้ขันห้าพ้นทุกแต่วันหนึ่งเรียนจนกระทั่งรู้ชัดเลยว่าขันห้านี้ทุกลุ้นล้วนไม่มีทางอยากให้มันมีความสุขแล้วไม่มีทางอยากให้มันพ้นทุกอีกต่อไปแล้วมันไม่สมหวังมันทุกลุ้นล้วนใจเข้าถึงตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้จะสลัดคืนเลยจะหมดตัณหาแล้วก็สลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจให้โลกคืนเจ้าของเดิม จิตใจก็จะเข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพานมีหลายชื่อ น, นะอุปสมะก็ได้ความจริงก็คือความสงบสันติที่มันพ้นทุกพ้นกิเลสพ้นความยึดถือในธาตุในขันในกายในใจนี้เองพอพ้นแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มีอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนว่างเปล่าจากกิเลสว่างเปล่าจากขัน ว่างเปล่าจากทุกมันมีอยู่ตามสภาพของมันมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแต่จิตใจที่ฝึกฝนอบรมจนกระทั่งไม่ยึดถือในจิตแล้วนี่จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเห็นโลกนี้มีแต่ไม่มีว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นจิตใจมีแต่ความสุขล้นล้วนสุขแบบนึกไม่ถึงนะสุขที่สุดเลยมีความสุขมากไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้เอาง่ายๆว่าเครื่องหมายคพูดเปิด นิพพานนางปารมังสุ ข, ขังปิดเครื่องหมายคำพูดแปลว่าบรมสุขเลยความสุขของโลกโลกที่พวกเรารู้จักกันเป็นความสุขลุ่มลุ่มดนดอนสุขสขดุดิบดิบเป็นความสุขร้อนร้อนเผ็ดร้อนรุนแรงสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วก็เสียไปตะกายหาอีกจับได้แล้วก็หลุดมือไปอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยการเดินทางในสังสารวัตถ้าข้ามมหาสมุทรสีอันนี้ไม่ได้ ก็ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ฉะนั้นตั้งอกตั้งใจนะอันแรกคือต่อสู้กับมิจฉาทิฐิหรือทะเลตัวที่หนึ่งของเราก่อนมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆวิธีดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาว่าตัวเราไม่มีคิดอย่างไรเราก็เชื่อว่าฉันมีแต่ฉันแกล้งไม่มีมันจะแกล้งทำให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจนะอะไรก็ได้เริ่มจากกายก็ได้ ถ้าเริ่มจากกายถูกต้องก็จะรู้ใจถ้าเริ่มจากใจถูกต้องก็จะรู้กายด้วยจะรู้สองอันไม่ได้รู้อันเดียวถ้าคนไหนภาวนารู้อันเดียวนี่ทําผิดแน่นอนนะเพราะจริงๆมันมีสองอันจะมาเลือกรู้อันเดียวแสดงว่าทําผิดแล้วเช่นบางคนจะดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวให้ลืมโลกไปเลยโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจนี่เป็นการสะสมมิจฉาทิฐินะแทนที่จะละมิจฉาทิฐิมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่ง กูบังคับจิตให้อยู่กับลมได้หรือกูบังคับจิตให้อยู่กับท้องพองยุบได้จิตไม่หนีไปที่อื่นเลยมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งความจริงต้องรู้ตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงของเราคือมีทั้งกายทั้งใจนะเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจไปถ้าจะรู้กายเราก็เห็นร่างกายนี้มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไปใจเป็นแค่คนรู้มันถ้าจะรู้จิตใจ เราก็เห็นจิตใจเคลื่อนไหวทํางานไปพอมีการเคลื่อนไหวทางกายเช่นตามองเห็นนี่จิตใจก็เคลื่อนไหวตามนะหูได้ยินเสียงเช่นเขาด่ามาใจก็เคลื่อนไหวคือโทสะเกิดขึ้นมันเนื่องกันทั้งกายทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวนะถ้าจงใจไปรู้อันเดียวเป็นสมถกรรมาฐานถ้ารู้ถูกต้องมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไป ถ้าทำอย่างนี้ได้จะเห็นเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่บรรยายอย่างที่หลวงพ่อพูดนะมันจะรู้สึกแค่ว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ว่าต้องมานั่งพร่ำรำพันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธาตุเป็นขันมันไม่พูดนะเป็นความรู้สึกเท่านั้นแหละรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวเราดูลงมาในเวทนาในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ เราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารโลภโกรธหลงทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่เราอีกดูไปอย่างนี้นะตัวจิตเองล่ะตัวจิตเองเดี๋ยวก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นไม่ใช่จิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมา ถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาเป็นมิจฉาทิฐินะหลวงปู่ล่าแห่งภูเจอก็ท่านสอนบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฐิตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็หลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยดูลงมาในกายในใจตัวเองบ่อยๆดูจนเห็นความจริงเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยนะร่างกายก็เป็นแค่วัตถุ พวกเราลองทดสอบนะเอามือของตัวเองมาแล้วลองรูปดูรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆแข็งๆนะแล้วลองตั้งใจฟังดูสิว่ามันบอกไม่ว่ามันเป็นตัวเรามันเงียบนะมันไม่พูดหรอกจริงๆเราไปขี้ตัวว่ามันเป็นตัวเรานะลองจับดูสิมันเป็นก้อนแข็งๆอะไรก้อนหนึ่งถ้าเราจับดูจะรู้ว่าไม่มีตัวเราอยู่ในก้อนนี้เวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ไปตรงๆเหมือนที่เรารู้สัมผัสมืออย่างนี้ กุศลอกุศลเกิดขึ้นก็รู้ไปตรงๆแล้วมันจะบอกเราไหมว่ามันเป็นตัวเราไม่มีพูดสักคําหนึ่งความเป็นตัวเราไม่มีนะความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดล้วนๆเลยคิดเอาเองว่าเป็นตัวเรานะถ้าไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดกายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราพอเราเห็นซ้ําๆนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรวมเข้ามามันจะเข้าสมาธิรวมเองตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป จิตมีปิติสุขเอกคตามีวิตกวิจารณ์คือการตรึกถึงอารมณ์เขล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์อะไรอารมณ์นิพพานจิตมันจะรวมเข้ามานะขั้นแรกพอรวมเข้ามามันจะเห็นสภาวะธรรมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้ารู้ว่าคืออะไรยังเจอด้วยสมมุติบัญญัติไม่ใช่ของจริงจิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดดับเกิดดับขึ้นมา บางคนเห็นสองครั้งบางคนเห็นสามครั้งเห็นสองทีจิตก็วางการรับรู้อารมณ์นั้นแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ถัาจากนั้นสิ่งที่ปิดบางห่อหุ้มธาตุรู้ไว้จะถูกแหวกถูกทําลายออกชั่วขณะจะแหวกออกจิตที่เป็นอิสระล้วนๆที่สัมผัสกับนิพพานล้วนๆจะปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะตรงนี้ไม่มีคําพูดนะแว็บเดียวเอง แต่มีสติมีสมาธิมีปัญญาพร้อมอยู่ตรงนี้เลยพอถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกนี่จิตจะทวนกลับเข้ามาพิจารณาใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าเมื่อกี้เกิดอริยมรรคขึ้นแล้วนะสังโยชนเบื้องต้นถูกละไปแล้วความเห็นผิดถูกละไปแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างไรก็ไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วนี่คือละความเห็นผิดได้จะหมดความลังเลสงสัยในคาสอนของพระพุทธเจ้า พวกเรายัางลังเลสังเกตไหมฝึกไปช่วงหนึ่งจะรู้สึกว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอันนั้นเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่มีนะหรือเราเคยงมงายว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ดีต้องทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีจะหมดความงมงายอันนี้เลยรู้แต่ว่ามีแต่การเจริญสติรู้กายรู้ใจทางสายเดียวทางสายเอกมีอันนี้อันเดียวไม่มีอันอื่นอีกแล้วพระโสดาบันละสิ่งเหล่านี้ได้ละความเห็นผิด ว่ามีตัวมีตนละความลังเลสงสัยในภารตนาตรายได้และการถือศีลบําเพ็ญพรดแบบงมงายลูปลูกคลํำๆว่าทําอย่างนั้นดีทําอย่างนี้ดีรู้แล้วว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากการมีสติรู้กายรู้ใจหรือสติปัฏฐานนั่นเองดังนั้นเวลาที่บรรลุพระโสดาบันไม่ใช่จิต ด, ดับนะทุกวันนี้มีคําสอนเรื่องจิต ด, ดับมากมายคิดว่าภาวนาไปด้วยกําหนดไปด้วยให้จิตมันแนบอยู่ที่มือนะ เพ่งมากๆจิตจะดับลงไปจิตดับแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าบรรลุธรรมแล้วดับสีหนก็เป็นผ้าอารหันต์ออกจากพระอารหันต์ก็มาทะเลาะ ก, กับเมียเหมือนเดิมเลยมันละกิเลสไม่ได้จริงในขณะที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตขณะที่บรรลุอริยมรรคก็มีมรรคจิตขณะที่บรรลุอริยผลก็มีผ ล, ลจิตมรรคจิตมีสีดวงผลลจิตมีสีดวง ที่เรียกว่ามรกสี่ผลสี่นิพานหนึ่งนะคนโบราณชอบพูดถ้าพูดอย่างละเอียดก็มีอย่างละยี่สิบเพราะว่ามันเจอด้วยฌานเข้าไปแต่ละชนิดฌานมันไม่เท่ากันมีฌานห้าอย่างดังนั้นจิตที่บรรลุมรกผลรวมแล้วมีจิตตั้งสี่สิบดวงพวกเรารุ่นหลังๆบางทีเราเชื่อคำสอนของอาจารย์มากไปคิดว่าบรรลุมร์ผลนิพานคือจิตดับวูบ ล, ลงไปหมดสติ พอรู้สึกตัวขึ้นใหม่บอกบรรลุไปแล้วตรงที่จิตดับลงไปนั้นคืออสัญญาสัตตาภูมิหรือพรมลูกฟักนะมีพระอยู่รูปหนึ่งเมื่อไม่กี่วันนี้นะท่านเล่นแล้วดับเลยท่านก็รู้ว่าไม่ใช่เพราะมันขาดสติออกมาแล้วไม่เห็นจะละ ก, กิเลสอะไรเลยดับไปเฉยๆฝึกไม่กี่วันก็เป็นแล้วนี่คือการเพ่งกายแล้วลืมจิตจ น, จนจิตดับลงไปเหลือแต่กายอันเดียวล้วนๆฉะนั้นเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานมีจิตไม่ใช่ไม่มี ถ้าไม่มีจิตแล้วใครจะรู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์นะมีอารมณ์ต้องมีจิตอันนี้เป็นกฎของธรรมะนะชื่อภาษาแขกเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดธรรมนิยามทีนี้พอได้โสดาบันแล้วการภาวนาก็ยังทำอย่างเก่านั่นแหละรู้กายไปรู้ใจไปมีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันทีละขณะทีละขณะคำว่าปัจจุบันก็คือหนึ่งขณะจิต ต, ต่อหน้าเรานี่แหละรู้ลงทีละขณะทีละขณะเล็กนิดเดียว หนึ่งขณะนี่สําคัญนะในศาสนาพุทธอะไรหนึ่งหนึ่งนี่สําคัญทั้งนั้นเลยเราภาวนาไปจนถึงจุดสุดท้ายแล้วจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์บางรูปเรียกว่าเอกจิตเอกธรรมหรือจิตหนึ่งธรรมหนึ่งบางรูปเรียกทีติจิตถีติธรรมแล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยหนึ่งเดียวรวดดังนั้นภาวนาอยู่กับหนึ่งขณะจิตต่อหน้านี้ไม่มีตัวมีตน คอยรู้ไปรู้ไปถึงจุดหนึ่งจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นหมายความว่าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้มันเป็นสองได้อีกแล้วจิตที่มันเป็นสองได้เป็นสามได้เพราะว่ามันถูกปรุงแต่งเหมือนกับน้ําที่บริสุทธิ์นี้มีหนึ่งเดียวเห็นไหมน้ําเขียวน้ําแดงน้ำซ่าซ่าน้ําเน่าน้ําเหม็นน้ําหอมเพราะมันมีของอื่นไปปรุงแต่งเอาพอมันกลั่นตัวของมันจนมันบริสุทธิ์เต็มที่ก็เป็นสภาวะอันเดียวล้วนๆเลย ก็เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆของจิตของใจเวลาที่จิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วมาดูโลกดูสรรพสัตว์ดูตัวเองดูอะไรต่ออะไรทั้งหมดก็จะเห็นเป็นหนึ่งเหมือนกันคือว่างเปล่าจากตัวตนเสมอกันหมดเลยภาวนานะถึงจุดสุดท้ายจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งอยู่กับความเป็นหนึ่งนั่นแหละอยู่กับความไม่มีอยู่กับความไม่เป็นอะไร ฟังหลวงพ่อคำเขียนที่ท่านบอกว่าอยู่กับความไม่มีไม่เป็นนะสะใจถ้าคนมาเล่า ว, ว่าจิตเป็นอย่างนี้ไปอยู่ตรงนี้นะฟังแล้วไม่สะใจฝึกไปนะาศาสนายังไม่สูญหายไปเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดีอย่าเชื่อคำสอนอาจารย์มากเกินไปสติปัฏฐานสำคัญนะต้องเรียนอริยสัจสี่ต้องเรีย น, รยรร 4, เ, รยนเรียนป ร, ริยัติไปก่อนถ้าเราไม่รู้จักสติปัฏฐานไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักไตรลักษณ์อะไรอย่างนี้นะ ภาวนาไม่ไหวพวกนี้เป็นความรู้พื้นฐานเรียนพวกนี้นะหลวงพ่อเขียนไว้ให้อ่านแล้วนะเยอะแยะเลยไปอ่านเอาเองช่วยตัวเองนะหลวงพ่อช่วยไม่ไหวเรือหลวงพ่อเป็นเรือบทลำเล็กๆ เ, เท่านั้นแหละพายทุก ป, ป่องทุก ป, ป่องข้ามทะเล ข, ของหลวงพ่อเองพวกเราก็ต้องหาเรือของเราเองนะสิ่งที่จะเป็นเรือให้พวกเราคือธรรมะนั่นแหละ